ب ิ سم الله الرحمن ฟีมาอิมัَบันนอ لا أ ت من شيء، ولا أفئدهم من شيء إلا كانوا يجحدون بآيات الله. كانوا يجاهدون بآيات الله وحَدٌ. ว่าอิศรฟน่าอَลัยกันอัฟรอมมินอันจิน ขลามมาคุดَวَ ا ล่าวอِ ن َّ ا มَมุนจริง s ีณา i เมื่ n ห a a ขีตบันอุ a อามัลัมยูกิบดายะลออวะลาอิซัลลัมยูกิบมฮนวะซูฮ ظلال مبين. أولم يروا الله ا ل ق ا م ا ء و ا ل أولم يروا أن الله الذي خلق السماء والارض l e l l ف َ ل ْ ي ُ ق ُ ل عَذَابُ مَا كُنتَ تَكُولُ فَسَمِعْتَ مَا فَرَوْلُ ع َ ز ْ م ِ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سئات ي أعمالنا م ن يده ه الله فلا مضل له ومن يضل ل فلا هادي له شدوا ه ا ل ا ه إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله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 وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبار رب ي أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر اللهم آفني في بدني وآفني في سمي ع وآفني في بصري سبحان الله وبحمد ه ع د د خلقه วรดา ف น้าที่เขาวิญญาตาอัลฟิห์วามิ حيو ا า قيوم บระห์มัติก้า ا ั ل รกิซ شأن ิคุลลห์วะลาติคิหนี伊拉หน้าที่ตัว ل ่อตาอัลลิห์ฮัสบ ن ยาลลาฮฺวะนิยมัลวาคน้องที่ร่วมธรรมศาสตร์ที่มัสยิดอันบาริสุนนะ เด็พี่น้องที่ติดตามเฟซบุ๊กสวรรค์ในบ้านผ่านเฟซบุ๊กสวรรค์ในบ้านที่นั่งอยู่ที่บ้านท่านที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตั้งแต่อายาที่26สหถึงส5สบห้ากี่อายานะสิบอายเาวลากจรมักการนาหุมตรงนี้แปลว่าเราได้ตั้ง ตั้งหลักแหล่งให้พวกเขาคือคนอาหรับยุกคก่อนๆเนี่ยเขาอยู่กันเอาลอได้อลอเล่าเนี่ยเราได้ให้พวกเขาตั้งหลักแหล่งอยู่เป็นที่อิมักกานาุมฟีฮาแต่เาลาไม่ได้ตั้งหลักแหล่งสําหรับคนคนค น, ค น, ค, นคนอาหรับแต่คนอาหรับ อัลลอฮ์ไม่ได้ตั้งหลักแหลมงเคยอยู่ปสเปอยู่ทั่วไปย้ายไปไหนก็ได้พวกอาหรับในละคนมักกะเนี่ยอยู่ในกระจมบงอะไรบ้างอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เกียรติแต่คนยุค ก, ก่อนเนี่ยอัลลอฮ์ให้เกียรติมากพวกอาสมุตพวกอะไรต่อะไรที่พารมาันเนี่นะวาจะอ่นนะอลลฮุมสมาอัลลอฮ์ให้เขามีมีหู มีตาเลยมีหัวใจมีสามอย่างสังเกตนะหูตาใจอรณะอรณะอันหุมสามโหมุแต่หูพระผู้เขาไม่มีประโยชน์ใช้อะไรไม่ได้เลยมีหูก็ไม่ได้ฟังอยู่สบายกินกินกินสบายเลยไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้หูไม่ได้ใช้ตา นี่เตือนอาบวันนี้เหมือนกันเวลาอยู่สบายนี่อย่าลืมนะอย่าลืมอัลลอฮ์ใช้หูใช้ตาใชา้ใช้ใจคิดถึงอัลลอฮ์ด้วยเวลาอบซาระฮุมเวลาพวกเขามีตีมีตาก็ไม่ได้ใช้ตาให้เป็นประโยชน์เวลาอัฟิดะหัวใจและพวกเขาก็มีไ ม, ไม่ไม่ได้ใช้หัวใจให้เป็นประโยชน์มีนชายิน แม้แต่สิ่งเล็ ก, ลกๆในน้อยก็ตามอีสการูยาชาดูนที่พวกเขาปฏิเสธก็เลยไม่ได้ใช้ปัญญาพอปฏิเสธอัลลอฮ์ปร๊บนี่มองอะไรนี่ผิดหมดเลยมองฝนก็นึกว่ามาจะมาจะหลอกให้ฝนตกดวงดาวให้ฝนตก ฝนตกเนี่ยอัลลอฮ์ให้ตกหรือว่าดวงดาวให้ตกอัลลอฮ์ให้ตกนะไม่ใช่ไม่ใช่ดวงดาวทําให้ฝนตกแบบคนกาแฟวันนี้ใ น, นเมืองไทยอ่ะเห็นดาวดาวหางมาดาวนุ่นมาดาวนี้มาทําให้ฝนตกคนนั้นตายคนนี้ตายเนี่ยเพราะดาวไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์พวกนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้หูใช้ตาใช้ใช้ใ ช, ใ ช, ใช้ใช้หัวจคิดเนี่ยอัลลอฮ์เล่านิสัยของคนอาหรับ สมัยก่อนนั่นน่ะียาติลลายประวสัญญาณต่างๆของ Allah เห็นสัญญาณต่างๆของ Allah นะมาว่าเป็นดวงดาวให้มันจลา l l ให้ว่าฮากรบิฮิมฮากราห้อมล้อมหมดรอการลงโทษมาอะไราก็ได้มาการูบิฮิยัสตาซิอูที่พวกเขาได้ย่อเยยยัสตาซิอูนแปว่ายอ่ยอเยอย วรโยก็ด้ยาสตาจิอูนหัวโยกวรโยกวรโยกอิสลามวรโยกคำสั่งของนบีมุฮัมมัดวรายย์อัจจะต่างๆของอัลลอฮ์วรลก็ด้อาลักษณามิหนฮาวละกุมอาลักษณารับละทำลายพวกราบละทำลายมาฮาวละกุมรอบรบรอบรมักกะเนี่ยอัลลอฮลายหมดแล้วไม่เห็นเหรอ คนที่รอบๆอยู่ในรอบๆซาอุดีนะเราทำลาไปหมดแล้วบอกสอนรอฟนั่นละอะไรแล้วเราได้แจกแจงได้อธิบายซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งเพื่อให้เขาได้ใช้ให้กัดตัวไปหาอัลลอฮ์แต่ยิ่งบอกก็ยิ่งยิ่งเย่อเย้ย บอกให้ชายปัญญาชาสมองชายหัวใจคิดแต่พวกนี้ก็ไม่คิดอธิบายเท่าไหร่ก็ไม่ยอมใช้ปัญญานี่เตือนอาเตือนอา랍แต่ปัจจุบันนี้และเตือนพวกเราในประเทศไทยด้วยมีปัญญาก็ต้องใช้ปัญญาบ้างนะฟาลาุลาน า, าลารุมุลลาซีนักตะโคจูมินดูนิลลาฮิอูลบานาะ ทำไมเราพวกมันไม่ได้ไม่ได้ช่วยพวกเขาดอกหรืออิตธิอดูมินดูนิลลารีพวกเขายึดอื่นจากอัลลอฮ์กุรบานแปลวา่าทำตัวกายชิดยึดพระเจ้าอื่นทำตัวกายชิดกับอัลลอฮ์เนี่ยผิดหมดเลยนะบ้านดัดอนโลแต่ว่าพวกเขาเนี่ยหลงทาง วาซาลิกะอิฟกูฮนี่เป็นเพราะเพราะที่พวกเขาเนี่ยกุของขึ้นมาใหม่หมวามากานูยับตรุนและพวกเขาพวกเขาได้กุขึ้นต่างความเท็จขึ้นคําทํา ง, างมีแล้วใช่ไหม ว่าถ้าสรบนาอิลกานาฟารอมเป็นนจินนี่ตอมามาพูดเรื่องเรื่องจินนาฟารอนแต่ว่าบางคนจากจากินคำว่าบางคนหมาตั้งแต่สามคนถึงสิบคนขึ้นไปเรียกว่านาฟรมีจินประมาณสามตัวหรือหรือือสิบตัวเนี่ย ยัสตามียัอานนุรานได้ฟังปุรานคื อ, อยังรู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยส่งนบีมาเนี่ยม า, มาสอนทั้งยินแล้วก็มนุษย์ด้วยไม่จะสอนมนุษย์อย่างเดียวยินอยู่ที่บ้านอยู่เมืองไทยนี่ ย, ยก็เยอะยินในบ้านเราก็มีเวลาเราเห็นงูในบ้านเนี่ยสามวันแรกเนี่ยเขาต้องปล่อยไปก่อนอย่าเพิ่งไปตีอาจจะเป็นยินก็ได้แล้วก็พูดว่าให้ออกไปนะถ้าไม่ออกฉันจะตีเธอภายในสามวัน ถ้าเป็นยินมันก็จะออกถ้าเป็นโง่จริงๆมันไม่ออกในนบีสอนเรายัสตามีอุนลคุอานได้ฟังอัลคุอานฟะละมาฮะบารุเมื่อท่านนบีมาบอกคนที่อุตราเขาคอลูอันสิตห์ยินก็บอกว่าจงจงนิ่งฟังมูฮัมหมัดฟะละมาคุดียะเมื่อเสร็จแล้ววันแลาพวกเขาหันหลัง อ่านหลังกลับไปยังพวกเขาพังกล่าวเตือนสำทับ พ, พวกเขากันเองนี่ต้องการจะอธิบายเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องยินนะยินเนี่ยเราส่งยินมามาอยู่กับมนุษย์นี่ละยินกับมนุษย์ใครใครมาก่อนยินมาก่อนมนุษย์มาทีหลังแล้วกูอานเล่ม น, นี้นะให้ทั้งยินและทั้งใ ห, ทงให้ทั้งมนุษย์พร้อมกัน พอดูยินกล่าวกับพวกยินบ่าวยาเก่าวะโอโอ้พวกของเราเอ๋ยโอ้กลุ่มชนเราเอ๋ยอินนาสมัมยาณาเราได้ยินกิตาบันคมพีอุนดิละถูกประทานลงมามิมบาดีมูซาหลังจากนาบีมูซามุสอดีก่อนกุอ่านเลื่มนี้ยืนยันลิมาใบาในใดสิที่อยู่ต่อหน้าเขาญาดีอิละฮักคำพีเลื่อนี้เนี่ย ชีทางไปสู่ความจริงว่าอิละตอริกิมมุสตะกิมแล้วก็สู่ทางน้ำที่เที่ยงตรงนี่ยินพูดเองนะดีกว่ามนุษย์อีกนะดีกว่าคนกาเฟนเหมือ น, นเราอยูยินพูดว่าคุณอานเล่มนี้เนี่ยย่าดีอลิละฮักกชี้ไปหาความจริงว่าอิละตอริกิมมุสตะกิมแล้วก็สู่ทางน้ำที่เที่ยงทางนี่ยินพูดนะ ยาเกามานาโอหมูชนของเราเอย่ยอาจีบูจงตอบสนองดายากา่ผู้ที่เรียกร้องของอัลลอฮ์นีบเขากาวยินกับยินกากันเองบอกว่าให้ให้ให้เชื่อฟังนบี ม, มุฮัมมัดเพราะนบีเป็นดาอีอลอ ล, ละเป็นผู้ที่อัลลอ์ส่งมาเรียกร้องสู่อัลลอ์ว่าอามีนูบีแล้วก็จงศรัทธาจงเชื่อ เชื่อนบีมูฮัมมัดพอเชื่อมมาแล้วเป็นไงยากฟิตละกุมอลัลลอฮจะอภัยโทษพวกท่านมินซูนูมีกุมความผิดของพวกท่านว่าอยูย่ยรกุมแล้วจะให้ปลอดภัยมินอาซาบินอาเลมจากการลงโทษ อ, อ, อันเจ็บอันเจ็บปวดว่ามัลลามยาจิบผู้ใดที่ไม่ตอบไม่ตอบรับดาอียาลลอ ผู้ที่เรียกร้องสู่อัลลอฮ์คือไม่ตอบรับมุฮัมมัดฟลยซบมอีซินิลอรเขาไม่มีไม่รอด มั่ยยิบไปว่าไม่รอดไม่รอดทนจากแผ่นดินนี้ได้คนที่ยินตัวไหนก็ตามที่ไม่เชื่ออัลลอ์ไม่เชื่อรอซูลไม่เชื่อมุมัมมัดเนี่ก็ไม่สามารถที่จะเหนียวตัวรอดได้ถูกลงโทษหมดวาลซาลูมินดูนิฮิอาลเลียเนีจะไม่มีผู้คุ้มครอง อุนจากอัลลอฮได้อุลาอิกฟีรอลาอิมูบินเหล่านี่แหละอยู่ในหนทางที่หลงผิดชัดๆอาวลาหมีเราอันนอัลลอฮพวกเขาไม่ได้คิดดูบ้างหรือถ้าจริงอัลลอฮเนี่ยขอเราก็สัมาว่าที่ว่าอัลลอฮเป็นผู้ส่างชานฟ้าทั้งหลายในแผ่นดินวลามยาอยาเดือดขนกินละ อัลลอฮ์ไม่เหนื่อยในการสร้างนี่ยินกับยินสอนกันเองเวลมยากอย่บียอนกิน ล, ละแหละอัลละฮ์ไม่ทรงเหนื่อยที่จะในการสร้างของมันมีกอดีรินมีความสามารถอ่ละไอยุหยียเมาตาที่จะให้ ส, สิ่งสิ่งสิ่งมีชีวิตให้ตายสิ่งมี ให้สิ่งที่ตายแล้วมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอัลลอะสามารถทำได้สิ่งที่ตายไปแล้วให้มีชีวิตขึ้นมาบลาแน่นอนอินนาฮูอลาคุลลิชัยงกอีิแทจริงพระองค์เป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งวยามายอรดุลลาีนะวันหนึ่ง บรรดาผู้ปฏิเสธจะถูกถูกถากถามชาวเมืองผู้ที่ปฏิเสธจะถูกนำเสนอมาอยู่ต่อหน้าไฟอลันนาริอะไลสหายาบิลฮักกี จะมีคำถามว่านี่ไม่ใช่ความจริงหรือที่อลัญญอลลอฮฺสัญญาผ่านนบีมอมัดเป็นเรื่องจริงเปล่าก็รู้พวกเขาตอบว่าบาราแน่นอนเป็เรื่องจริงวารบบีนาขอสาบานต่อว่าพวกอัยบานของเราแล้วเราก็กล่าวว่าฟาซูฟูท่านทั้งหลายจงทิมอัลอาซาบการลงโทษบิมาคุณกลุ่มตักโรุนเทศูจาทั้งหลายได้ปฏิเสธ ต่อมูฮัมหมัดปฏิเสธต่ออัลกุรอานและปฏิเสธต่อรสูลของอัลลอ์นี่ยินก็ถูกลงโทษเหมือนมนุษย์นี่แหละฟาสบิรมูฮัมมัดเอ๋ยจงอดทนก็มาซาบาร์เหมือนกับที่บรรดาอุลุนอาซ ม, มนอารสูบรรดารสูนทั้งหลายที่ผาตคนที่หนักแน่นนะ่ะจงประจงอดทนเหมือนเหมือนบรรดารซูลใคร มีอยู่ห้าคนนะนบีนัวนบีบรอฮิมนบีอีซานบีมูซานบีมุฮัมมัดห้าคนเนี่ยเป็นคนที่สะบัดอดทนในการเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งมุฮัมมัดให้นบีเน่าอดทนเหมือนกับบรรดานบีที่ผ่านมาแล้วใครนนบีบรอฮีมนบีนัวนัวอิบรอฮิมแล้วก็มูซาอีซา ว่ลาตัสตาจินและอย่ารีบให้มีการลงโทษแก่พวกเขากาอันนาฮุมเยอมายาเรานะ อนหุมยาอมายาเน่เหมือนกับพวกเขานั้นเห็นวันหนึ่งมาอยู่อาดูนที่พวกเขาถูกถูกสัญญาเอาไว้ลามยัลบาสูอยู่ไม่นานอิลลาสาอัตานมินอาตแค่ชั่วโมงเดียวของกลางวันบลาวนาบีมามามาในฐานะเป็นผู้บาบาลาไปวันนะบลาบลาวนผู้เผยแพ่ศาสนา ฟ้าฮัลยุลละกูไม่มีผู้ใดทำให้สุใจพินาศได้นอกจากหมู่ชนที่ฝ่าฝืนเท่านั้นมาเรีกเข้าใจเปล่าเข้าใจไหมฮะอะไรนะเวลาตัสดาจินยารีบ ให้อย่ารีบเร่งให้มีการลงโทษอย่าขออุดาให้ลงโทษอย่ารีบสั่งสั่งกลุกล่มอาหรับเนี่ยอย่างคนยุคก่อนเนี่ยลงโทษชันมาสิถ้าอัลลอฮ์มีจริงถ้าถ้านาบีสมัยก่อนมีจริงใหารีบลงโทษฉันมาไวๆ้ๆฉันจะได้อีหมานคนลงโทษแลยอีหมานทันไหมล่ะไม่ทันอย่างนี้เป็นต้น อย่ารีบขอดุอาให้ลงโทษตัวเองรวมไม่ถึงเวลาลูกลูกมันดื้ อ, อเนี่ยก็อย่าพูด Allah, อัลลอฮ์จะรีบลงโทษลูกของเราให้มันตายไปเลยให้อย่าขอดุอาให้อัลลอฮ์รีบลงโทษลูกหลานเราที่ทําอะไรผิดๆน่ะนะอย่าพูดคํานี้พ่อแม่ก็อย่าพูดบางทีอัลลอฮ์รับรับรับดุอาเลยนะ ความจริงลูกจะให้อายุอายุห้าสิบปีพ่ออายุสี่สิบตายแล้วพอเราขอดูอาเอาเคยพูดพร่อยนี่เป็นมารยาทของคนมุม่งมีไม่พูดดา่าคนนั้นดา่าคนนี้ละไม่ไม่รีบรบไม่รีบเร่งขอดูอาให้อาร้อลงโทษอย่ารีบเร่งขอดูอาต่อเรอให้รีบลงโทษคนที่ทำผิด ให้เขาดูกลับเนื้อกลับตัวดีกว่าสอนเขาให้กลับเนื้อกลับตัวอย่าขอว่าให้รีบลงโทษคนทำผิดผมจำได้เมื่อสามสิบปีก่อนนี่แม่เขาด่าลูกเขาขอให้ขับรถไปชนสาวไฟฟ้า พอออกไปขับรถวิ่งไวมาไปชนศัพ์ปว่าแล้วก็อยู่โรงพยาบาลทั้งหลายหลายเดืนอนก็่อแลก็มาตายเด็กของเขตนี่แหละแค่นั้นพ่อแม่ที่ฉลาดเนี่ยเขาจะไม่รีบไม่รีบขอดูอาอนลงโทษใครตัวนั้นแหละให้ให้ให้เขาได้ต่อบาตตัวส่งคนไปสอนหนังสือเขาอย่าไปด่าสาปแช่งเขาไม่ได้ มันที่อัลลอฮ์รับด ع อาเราซึ่งเราไม่รู้ใครมีปัญหาถาไมไหมครับมาลิกยูซุฟ คนที่อยู่บนโลกดุนยาไปนี้เวลาตายไปแล้วเนี่ยความความรู้สึกของเขาเหมือนอยู่ชั่วโมงเดียวเหมือนอยู่ชั่วโมงเดียวในเวลากลางวันเท่า น, นั้นแหละเวลาตายไปแล้วพอฟื้นขึ้นมามันนึกได้อลลออยู่บนดุนยาแค่แป๊บเดียวเองไม่ได้อยู่นานหรอกแล้วก็ปล่อยตัวทำไมทรยศต่ออลัลลอฮ์ต่อคำสั่งของ อ, อัลลอฮ์แต่ว่านี่เตือนเรานะเรื่องจริงทั้งหมดอยู่บนดุนยานี่อยู่ไม่นานหรอก เาอาตาตะวชั่วโมงหนึ่งมินนาฮาตของเวลากลางวันความรู้สึกของค น, คนทุกคนเวนลาตาเวลาฟืน้นขึ้นมาเนี่ยอยู่แค่ชั่วโมงเดียวแค่ชั่วโมงเดียวให้ตกนรกทำไมอ่ะทำไมไม่เรียนศาสนาแลวมาฟังตับซีด ม, มาอ่านหนังสือหาความรู้จอากูรานค่อยๆหาไป นอกจากกลุ่มชนที่ฝ่าฝืนเท่านั้นลไอ้ตอนอยู่สาวนานเวลาตายแล้วฟืน้นขึ้นมานี่แค่แค่ชั่วโมงเดียวอันนี้ไม่เรื่องจริงะคนที่ยืนอยู่ในทุ่งมาชัดเนี่ยมองภาพโลกดุนยานี่แค่ชั่วโมงเดียว แล้วก็เสไดายอัอเราไม่น่าปล่อยตัวถึงขนาด น, นี้เลยนี่เตือนนี่เตือนอาบมุสริกในนครมักกะและเตือนพวกเราด้วยที่อ่านกุร a าเนี่อยู่บนดุนยานี่ยอยอยู่ไม่นานนะ ความรู้สึกของมนุษย์ที่อยู่บนโลกดุนยาไปนี่เมื่อตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยอยู่แค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นแหละความรู้สึกเลยนะแล้วก็เสดายโอ้ไม่น่าปล่อยตัวแล้วแค่ชั่วโมงเดียวปล่อยตัวให้ตกนรก รู้ว่าหนักอัลลอฮฺมะวะบิฮัมดิกะฉันว่าแล้ันตะอสตัฟุรุ